ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายัางหลวงพ่อกมพระเทระครูบาาจารย์พันเตอโอกาสเพื่อนสาธรร ม, มิกเจริญพรมายัางแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่ยี่สิบห้าสิงหาคมาพุทธศักราชสอง8หรอยห้าสิบแปดก็เป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเราที่อยู่ที่วัดป่าสุกโตมาทำวัดเช้าได้สาธยายมนได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่ก็เป็นส่วนที่ทําให้จิตใจของเราสูงขึ้นจากที่เคยนึกคิดในเรื่องราวต่างๆหลังจากที่เราได้นอนพักผ่อนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคนเราประกอบไปด้วยกายและประกอบไปด้วยใจเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สาธยายมนเรื่องของใจ นะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือใจของเรานะถ้าใจเราใจเราดีใจเราไม่ดีมันก็ส่งผลให้เกิดการพูดดีหรือทำดนะีถ้าใจไม่ดีคือใจออถูกครอบงำนะด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานนะก็ทำให้ การพูดการทำก็ไม่ดีไปด้วยนะซึ่งในส่วนนีนะ้ก็เป็นการที่เห็นว่าใจเนี่ยเป็นส่วนสำคัญแต่เนื่องจากใจเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกนะก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหรนะ่นะักส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องกายนะบำรุงเลี้ยงดู ทำความสะอาดเรียกว่าให้อาหารการกินก็ดีตกแต่งก็ดีส่วนใหญ่ก็ไปมุ่งหมายทางกายส่วนใจเนี่ยเราส่วนใหญ่เราละทิ้งเราไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจเพะฉะนั้นก็ทำให้จิตใจของเรานั้นถูกทอดทิ้งไปแ ล, แล้วก็ บางครั้งก็ทำให้จิตใจของเราอ่อนแอเจอปัญหาเจออุปสรรคเข้ามาเราก็ไม่พร้อมนที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากความลำบากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคนเราเมื่อตั้งใจที่จะทำอะไรนที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทําก็จะทำให้เรามีกำลังใจและเราก็ทำในสิ่งนั้นได้ ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่คิดว่าจะทำได้นะอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา <c oughs> เราได้ร่วมกั น, น <c oughs> ภาวนาน <c oughs> บูชาคุณหลวงพ่อคำเขีย น, นด้วยการไม่นอนทั้งคื น, นซึ่งพวกเราก็คงจะได้ประสบประการสาหรับคนที่ไม่เคยไม่คิดเลยว่าเราจะอยู่ได้ทั้งคื น, นโดยที่เราไม่ ไม่หลับนะเรียกว่าอาจจะงงเงียยสลึมสลือบ้างนะแต่เราก็ไม่ไม่นอนนะซึ่งตรงเนี้ยนะมันแสดงให้เห็นว่าคนเราเมื่อตั้งใจ่าทำอะไรนะแล้วก็พยายามนะที่จะมีความอดทนนะแล้วก็มีความเพียรความพยายามความตั้งใจนะที่จะทำเนี่ยมันก็สาเร็จได้เหมือนกันนะ อาจารย์กำพลเคยพูดว่าคนป่วยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือใจใจดีท่านบอกว่าคนป่วยอุปกรณ์ดีหมอดีคนดูแลดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือใจดีคนเราจะใจดีเนี่ยความเจ็บป่วยมันก็เป็นแต่เพียงกายเท่านั้นแหละใจมันไม่ป่วยด้วย แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้รู้จักไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องใจเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยก็ดีเวลาเรามีความทุกข์ทางกายก็ดีนะเราใจของเรามันก็ป่วยไปด้วยนะกลัวไปต่างๆนานากลัวว่าจะเป็นนั่นกลัวว่าจะเป็นนี่นะก็ทำให้อาการของโรคเนี่ยมันกำเริบแต่ถ้าเรามีจิตใจดีนะเรามีความ เข้มแข็งนะ่ะเห็นความเป็นปกติของใจแม้ว่าร่างกายมันจะเจ็บป่วยนะหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามนะถ้าเรารักษาใจให้ดีมีสตินะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราป่วยจากกายนะแต่ใจเราไม่ป่วยไปด้วยนะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอจะมองเห็นได้จากประสบการณ์ของการที่เราร่วมกัน ในค่ำคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือจากคำพูดคำบอกของครูบาอาจารย์ถ้าเราไปศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคมเขียนหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ในสายงานต่างๆนะก็จะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ใจเด็ดเดี่ยวในการที่จะเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจ การที่จะออกจากความทุกข์คนที่ใจเด็ดเทนั้นแหละนะที่จะเข้าใจที่จะเข้าถึงใจที่ไม่ทุกได้แต่คนที่จิตใจอ่อนแอจิตใจไม่มั่นคงจิตใจไม่หนักแน่นนะตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการพ้นทุกได้อุปสรรคหรือปัญหานะที่ทำให้จิตใจของเรามันอ่อนแอเนี่ย นะในภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามานมารเนี่ยเราจะไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะอาจจะมีเป็นตัวเป็นตนก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคและที่มาขวางกั้นทําให้จิตใจของเราไม่มั่นคงไม่หนักแน่นนะมานตัวแรกก็คือกิเลสนะคำว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีที่ฟังแล้วก็ไม่เคยเข้าใจ นะในความหมายก็คือสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองนะที่ง่ายๆก็คือความโลภความโกรธความหลงความโลภนะอยากนั่นอยากนีนะ่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นะตรงนี้มันทําให้เราหลงลืมตัวเราเองไดนะ้อย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี้ยนะส่วนใหญ่มันเกิดจากความโลภทั้งนั้นนะความโลภที่ไม่รู้จัก พอไม่รู้จักความพอดีนะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะที่ราชประสงค์เนี่ยมันก็จะเกิดจากความโลภนะแต่ยังไม่ต้องระบุนะว่าเป็นฝ่ายใดนะตรงนี้มันเกิดจากความโลภในอำนาจอยากจะมีอำนาจนะอยากจะครอบครองอำนาจโดยไม่คิดถึงชีวิตของคนอื่นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมาก นะทำให้คนต้องตายไปถึงยี่สิบคนนะโดยที่เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าจิตใจเนี่ยนะคิดไปในทางไม่ดีก็ทำไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีแล้วมัน ก, ก็ก่อให้เกิดผลร้ายกับคนอื่นจริงๆเมื่อเราคิดไม่ดีมันก็ทำลายตัวเองแล้วนะก็คือทำให้เราหลงเราหลงไปว่ า, เ, าเราจะ มีความสุขเราจะมีอำนาจเราจะมีชื่อเสียงเราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติต่างๆนะซึ่งของเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เพราะความไม่รู้เพราะความโลภ ก, นะก็ทําให้เราทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและก็คนในสังคมนะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายไปหมด นอกจากความโลภก็มีความโกรธนั่นแหละความโกรธที่เกิดความขัดแย้งกันก็ไม่ได้ทำตามใจเราไม่ได้อย่างที่เราคิดซึ่งไอ้สองตัวนี้ความโลภความโกรธเนี่ยมันเกิดจากความหลงความหลงความไม่รู้ตัวไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความพอเหมาะพอดีไม่รู้ใจตัวเองนั่นเองตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คิดไม่ดี พูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีเพราะนั้นใจเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่เคยดูแลไม่เคยเรียนรู้มันไม่เคยเข้าใจมันก็จะทำให้เป็นอันตรายนะกับตัวเราเองบางคนถึงกับฆ่าตัวตายบางคนถึงกับทำร้ายนะบางคนก็ใช้ความฉลาดแกมโกง นะตอนนี้ก็มีทราบอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีนายตำรวจคนหนึ่งที่ออกจากราชการแล้วนะเป็นสอ ส, อสทางจังหวัดนะครสวรรค์ได้ไงเนี่ยนะก็เรียกว่าไปทุจริตนะเอาหุ้นของอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นเศรษฐนะีในหน้าไม่ใช่ในหน้าเป็นคนค้าเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้แล้วก็มีการฆาตกรรมกันมีการฆ่ากัน นะโดยบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้จิตรู้ใจของตัวเองนะโดนกิเลสครอบงำเพราะฉะนั้นมานตัวนี้มันแนบเนียนมากนะถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันนาะมนก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่เป็นความไม่ดีและบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก นอกจากกิเลสมานแล้วนะก็ยังมีขันธมาลนะคนที่มาฝึกปฏิบัติส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตนะบางทีก็ยอมแพ้กับความเจ็บปวดนะเวลาปฏิบัติใหม่ๆมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยบางคนครั่นเนื้อครั่นตัวบางคนปวดหัวตัวร้อนนะเรียกว่าไม่สู้อ่ะนะยอมแพ้นะขันธมาลเนี่ย ก็ทำให้เราไม่จิตใจของเราก็ไม่เข้มแข็ง น, นนี้ก็เป็นสิ่งที่มาขวางกั้นนะไม่ให้เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนันที่สามก็คือความคิดปรุงแต่งนะก็เรียกว่าอภิสังขารมานอันนี้ก็เป็นตัวขวางกั้นอีกอันหนึง่งนะก็คือคิดปรุงแต่งไปทั้งในทางที่ดีในาทางที่ไม่ดีความฟุ้งซ่านต่างๆนาคนที่ปฏิบัติ ใหม่ๆก็ดีคนเก่าก็ดีนะตรงนี้ต้องระมัดระวังมันจะทำให้เราหลงลืมตัวไปนะไปคิดในเรื่องราวต่างๆนะทั้งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาขวางกั้นทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงใจนะที่เป็นปกติใจที่สดใสนะก็บอกว่าจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมันประพัสสอนอยู่ นาทีเศ้าที่เศร้าหมองเพราะกิเลสจรมานาเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาขวางกั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะผ่านนามาณเหล่านี้ไปได้น่ะก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นนาสูงขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ น, ะน่ะนอกจากขันธมารก็มีเทวปุตตมานอันนี้ก็คือความสบายนั่นแหละนาส่วนใหญ่เนี่ย คนเรามักจะติดความสบายสบายในการกินในการนอนในการพูดคุยสนุกสนานครุบคีหมู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราหลงลืมนะกายใจของเรานะไปติดอยู่กับรสชาติของอาหารนะไปติดอยู่กับการนอนนะเรียกว่าสบายทําอะไรลำบากไม่ยอมละไม่สู้นะ เนียเรียกว่าก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันท้อถอยนะเรียกว่าหมดกำลังใจทำอะไรนิดอะไรหน่อยลำบากไม่เอาละนะเคยสบายนะมาอยู่วัดนี่ลำบากไม่เอาละนะพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่ลำบากไม่เอานะจริงๆความลำบากเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาแต่ความสบายเนี่ยจะทำให้เราอ่อนแอ สังเกตเถอะคนอยู่ในเมืองเนี่ยที่มีชีวิตสุขสบายเนี่ยพอมาวัดป่าสุขโตก็มักจะบ่นกันเอ๊ะทำไมมันลำบากจังนะกินก็แค่สองเวลาหรือเวลาเดียวหิวนะไม่ไหวนะบางคนก็พกามามา่าบางอะไรบ้างนะก็มานะก็เรียกว่าไม่ได้ปรับตัวนะให้เข้ากับสังคมไม่ได้มาฝึกตัวเอง อย่างเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี่ก็มีกลุ่มของอหอจดหมายเหตุมานะก็มีส่วนหนึ่งก็บอกเออดียเดือนมกราก็จะมาอีกแต่ก็มีบางส่วนก็บอกแหมมาวัดป่าสุกโตนี่มันลําบากเนาะมีเครื่องบินมาลงไหมว่านะให้มันสะดวกสบายหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเห็นว่าลําบากอย่างนี้ก็อย่ามาเลยนะอยู่ที่บ้านเถอะนะมันสบายกว่า มาวัดป่าสุขโตนี่มันลำบากนะในสภาพที่ยากลาบากนี่แหละนะมันจะทมให้เราพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความยากลาบากเราเห็นได้นะว่าพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่เป็นผู้รู้ก็ดีเป็นผู้ที่น่านับถือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระทางอีสานอีสานนี่มีความยากลาบาก ความทุกข์ยากเนี่ยมันสร้างให้พระนั้นมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งและการที่เราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้เนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยเข้มแข็งขึ้นและก็สามารถที่จะเรียนรู้ละเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้ในสภาพที่สบายเนี่ยน้อยนะมีเหมือนกันที่ทำปฏิบัติสบายแล้วก็เข้าใจธรรมะแต่น้อยคนอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีอินทรีย์ที่แก่ก้าแล้ว ที่สามารถจ ะ, ะเผชิญหรือว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องผ่านความยากลำบากอุปสรรคต่างๆท ำ, ทำไมชาวตะวันตกหรือฝรั่งเนี่ยเขาคิดค้นสิ่งต่างๆได้เครื่องไม้เครื่องมือก็ดีวิทยาการต่างๆก็ดีที่เป็นเรื่องของวัตถุเนี่ยเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเขามันยากลำบากาอาหารการกินก็ไม่อุดมสมบูรณ์อย่างบ้านเรา นะเขาก็จะต้องพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆขึ้นมานะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะความเคารพในกฎต่างๆนะแล้วก็สามารถที่จะมีวิทยาการนะในด้านวัตถุอย่างก้าวหน้าแต่ทางตะวันออกเราเนี่ยเราสบายนะแต่ก็มีความลึกซึ้งนะในด้านจิตวิญญาณนะทางด้านปัญญานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เ, เราพอจะสังเกตได้ว่า ความยากลำบากเนี่ยทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมาทำให้ร่างกายของเราเข้มแข็งขึ้นมามันสามารถที่ปรับเนื้อปรับตัวได้ น, นั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะฟันฝ่านาจากมารที่เรียกว่าเทวปุตตมานก็คือความสบายอันสุดท้ายเ้าเรียกว่ามัจุมานความตายความตายนี่แหละหที่มันจะขวางกั้นทาให้เร า, าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งเรากลัว บางคนกลัวความมืดบางคนกลัวจิงจกตุกแกบางคนกลัวงูอันนี้คือความกลัวตายทั้งสิ้นมันเป็นสัญชาติญาณในการที่จะป้องกันภัยแต่ถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันมันเนี่ยก็จะโดนความกลัวในครอบงำแล้วเราก็ไม่กล้าจะทาอะไรกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะเจ็บป่วยกลัวจะเดือดร้อนทาง ร่างกายทางชีวิตกลัวไปเลยไม่กล้าทำอะไรนะก็ได้แต่นั่งนอนไปหาความสบายไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะแต่ความสบายนั่นแหละนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเบื่อขึ้นมาแมันสบายบ้างบางมันก็เบื่อได้เหมือนกันนะก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะถ้าเร า, าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องจิตเรื่องใจนะเรื่องกายเนี่ย ไม่กี่เท่าไหรอ่นะอาหารให้อาหารมันดูแลสุขภาพให้พอเหมาะพอดีจําระร่างกายจริงๆรงิกายเนี่ยนะดูแลไม่ยากง่ายแต่ใจนี่สิดูแลยากเพราะมันไม่มีตัวมีตนนะแล้วก็มีมีส่วนสําคัญความทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะจิตใจของเรานั่นเองนะโดนมัน หลงโดนมันล่อโดนมันหลอกไปทำให้เราสุขทำให้เราทุกขนะ์ใจใจไม่ปกตนะิเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เรารู้จิตรู้ใจได้ดีที่สุดก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองที่เรามาฝึกฝนกันนะเรามาปฏิบัตนะิมาเรียนรู้กันสำคัญก็คือทำยังไงให้มันต่อนเนื่องทำยังไงให้ความรู้สึกตัวมันตื่นมันเห็น เ, เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนะ กายปกติใจปกติหรือกายไม่ปกติใจไม่ปกตินะตรงนี้ถ้าเราเห็นเราจะได้รักษาได้ปรับปรุงได้แก้ไขให้พอเหมาะพอดีนะ่เรียกว่ามีกายสมดุลใจสมดุลนะกายปกติใจปกติเพราะฉะนั้น <c oughs> จิตใจของเราเนี่ยนะถือว่าเป็นส่วนสาคัญเป็นส่วนสาคัญที่จะทำให้เรามีสุขหรือมีทุกข์หรืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ นะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าเราคิดดีก็พูดดีทำดีก็ก่อให้เกิดผลดีกับตัวเราเองและคนรอบข้างแต่เมื่อเราคิดไม่ดนะีก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีแล้วมันก็เกิดผลร้ายาต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวคนในสังคมการที่เรามาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ย ธรรมาก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เราก็มุ่งหวังนะความสุขความสงบสันติสุขในจิตในใจนะก็คือความเป็นปกติของจิตใจนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันนึกคิดเอาไม่ได้นะมันต้องลงมือทำแลนะการลงมือทำเนี่ยนะก็คือการที่เรามาเจริญสตนะิการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการช่วยเหลือส่วนรวมนะการเอื้อเฟื้อกัน กายเจ็บใข้ได้ป่วยก็ช่วยกันดูแลนะแล้วก็มีน้ำใจต่อกันนะอย่างบางทีเราก็มาช่วยกันปูอาัศนาะบ้างนะที่โรงครัวก็ช่วยกันทำครัวนะถึงเวลาก็ไปร่วมกันนะทำงานส่วนรวมพูดง่ายก็คือท ำ, ท, ำ, ท, ำ, ท, ำทั้งประโยชน์ตนและวก็ประโยชน์ท่านนะไม่ได้ทำเฉพาะประโยชน์ตนอย่างเดียวแลนะตรงนี้มันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเรา ให้เป็นคนที่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวและก็ไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมทั้งหมดนะเรียกว่าทั้งส่วนตัวและส่วนรวมไปพร้อมๆกันให้เกิดประโยชน์ทั้งตนและก็ส่วนรวมไปพร้อมๆกันนะตรงเนี้ก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีนะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี แล้วก็สิ่งที่เป็นจิตใจที่เป็นปกตินะที่เป็นพื้นฐานนะของชีวิตนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปตกอยู่ในลมนะของกิเลสตัณหาอุปาทานนะการยึดติดต่างๆก็ดีความทยานอยากที่ไม่มีที่ส้น ส, สุดก็ดีนะสิ่งเหล่านี้มันทำให้จิตใจของเราตกต่ำลงนะจิตใจของเรานั้นเศร้าหมอง ใจิตใจของเรานะั้นมีความทุกข์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดนะที่เราจะเห็นได้นะถ้าเราสังเกตเราพิจารณาเราดูกันอยู่บ่อยๆนะสิ่งเหล่านี้นะก็จะทําให้เราสามารถที่จะยกจิตนะให้สูงขึ้นจากกิเลสตัณหาอุปท า, านนะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะโดยเฉพาะทุกข์ในจิตในใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นก็แก้ไขบําบัดบรรเทากันไะปนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะได้มามองมาดูมาศึกษานะลงไปในจิตในใจของเรานะการที่จะศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรและก็ต้องอาศัยการปลีกวิเวกพอสมควรการคุกคีตีโมงก็ดีความยินดีพอใจในการพูดการคุยนะ ในการทำการทำงานที่เป็นแบบโลกโลกอะ่ะนะเราก็ทำกันมามากแล้วเนาะระวังมันไว้บ้างนะทำเท่าที่จำเป็นเล็กๆในน้อยนะอย่าไปทำทั้งวันนะให้เวลากับเรื่องจิตเรื่องใจกับการฝึกจิตบึกใจอันเนี้ยนาะจะเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่านะมากกว่ามากกว่าการที่จะไปสันทนาการสวนเสเฮฮากันนะ การเข้าหมู่เข้ากลุ่มเนี่ยมันก็สนุกดีนะนะแต่ว่าเราจะไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราเลยนะเราก็จะได้เพื่อนกลับไปได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกลับไปกลับไปจากวัดป่าสุกโตก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นคนคิดโกดเหมือนเดิมหงุดหงิดเหมือนเดิมฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามาศึกษานะมาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจเนี่ย ะอย่างเล้น้อยมันก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือกลับไปนะไปใช้ในชีวิตนะในชีวิตประจำวันในโลกนะไปเผชิญกับโลกด้วยจิตใจที่เป็นปกติรักษาจิตรักษาใจของเราไม่ให้ตื่นเต้นตื่นกลัวแต่ให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ตื่นรู้ตื่นรู้กับสถานการณ์ทุกอย่างพร้อมที่จะปรับจิตปรับใจของเราให้เป็นปกติในทุกสถานการณ์ ซึ่งตรงนั้นนะ่ะจะทำให้เราสัมผัสกับสันติสุขที่เป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราและความสุขชนิดนี้นะ่ยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยเป็นของที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอยู่แล้วถ้าเราสัมผัสตรงนี้ได้น่ะเราได้เห็นมันจริงๆน่ะก็จะทำให้เรามีชีวิตน่ะที่พึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องไปถึงวัตถุภายนอกมากเกินไปวัตถุภายนอกก็อำนวยความสะดวกให้บ้างนะเล็กๆน้อยๆ น, นะไม่ต้องไปติดหรือไปเป็นทาสนะของวัตถนะุในคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะตรงนี้เราก็จะเป็นตัวของตัวเราเองแล้วก็จะพึ่งตัวเราเองได้เพราะนั้นใจที่รู้เท่าทันกิเลสตัณหาอุปทานนี่แหละนะเป็นสิ่งที่ทําให้เรา พ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนาที่เราควรที่จะได้ฝึกฝนอบรมนในระยะเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้เข้าบรรษามาก็เกือบเดือนแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะก็อยากจะเชิญชวนชักชวนอย่าปล่อยเวลาเสียไปโดยปล่าประโยชน์ชีวิตของเรามันไม่ยาวนะมันสั้นมากๆ ไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้นะประมาทไม่ได้เลยอย่าไปคิดว่าโอ้เหลืออีกต้องสองเดือนนะเราก็กินกินเล่นเล่นคุกคีสนุกสนานเฮฮาไปนะกินกินนอนนอนไปอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะเวลามันจะไปเร็วมากแล้วโอกาสที่เราจะมาอยู่อย่างเนี้ยอาจจะมีครั้งเดียวในชีวิตนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แตนะถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเคยกินอย่างไงเคยนอนอย่างไงเคยทําอะไรอย่างไงนะไม่เคยที่จะทวนกระแสะความเคยชินหรือทําตามใจตัวเองนะลองทวนดูบ้างนะมันก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระนะโดยเฉพาะจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนขัดเกลาให้สามารถที่จะอยู่เหนือนะความอยากนะ กิเลสตัณหาอุปาทานความยึดถือในสิ่งต่างๆนะแล้วก็จะทำให้เรารู้จักการปล่อยการวางในสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตจากใจของเรานะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะในเช้าวันนี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตรนะ์่าก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ซึ่งก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรษธรรมความจริงที่แสดงปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติที่กระทําลงไปได้วยความเพียรความพยายามความตั้งใจที่จะทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีะก็ขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นเป็นพระวะปัจจัยหนุนนําให้ทุกท่า น, นาได้เข้าถึงการพ้นทุกข์ นั่นก็คือสันติสุขที่มีอยู่ในจิตในใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร